พุทธคุณประการที่6อนุตโรปุริสธรรมมสารถิการสอนให้คนมีความรู้ความสามารถในวิชาอาชีพหรือในวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งแม้บางอย่างจะเป็นสิ่งที่ยากเสพียงไรก็ตามแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการสอนเพื่อให้คนกลับนิสัยหรือเพื่อให้ละกิเลส ท, ที่ฝังแน่นอยู่ในสันดานแล้วจะเห็นว่าการสอนเพื่อให้ละกิเลส เป็นสิ่งที่ยากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งนี้ก็เพราะคนเราเมื่อมีนิสัยสันดานมาอย่างไรก็จะคิดได้ตามนิสัยสันดานของตนอย่างนั้นเท่านั้นจกอธิบายในง่าอื่นที่ผิดจากนิสัยสันดานของเขาเขามองไม่เห็นคิดไม่ได้ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเราเห็นได้ชัดว่าพื้นเดิมของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดไป เราจะเปลี่ยนนิสัยสันดานของมันย่อมทำไม่ได้นอกจากจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้บ้างเล็กน้อยทั้งนี้เป็นเพราะสมองของมันก็จำกัดความนึกคิดก็อยู่ในขอบเขตจำกัดความจำของมันก็อยู่ในขอบเขตจำกัดเพราะฉะนั้นการที่จะสอนใหสัตว์เปลี่ยนนิสัยสันดานจึงทำไม่ได้เช่นเราจะสอนสุนัขหรือแมวใหรู้จักใช้เหตุผลบ้างใหรู้จักทาในสิ่งที่ควรทา และไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบ้างจะเห็นได้ว่ายากมากคนเราก็เหมือนกันถ้ามีพื้นนิสัยสันดานมาอย่างไรความนึกคิดสติปัญญาและสมองก็จะถูกจํากัดอย่างนั้นเขาจะคิดได้เพียงแค่นิสัยสันดานของเขาเท่านั้นจะคิดให้เกินไปกว่า น, นิสัยสันดานที่เขามีอยู่ทำไม่ได้และโดยปกติคนเราก็มีกิเลสเช่นความโลภความเห็นแก่ตัวตัณหาราคะความหลงผิด และอะไรอื่นอื่นอีกหลายอย่างติดสันดานมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นการที่จะสอนให้คนเราละกิเลสเหล่านี้จึงเป็นการยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าที่อันนี้ได้ดีที่สุดจนกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าอนุตโรแปลว่าไม่มีใครยิ่งกว่า บริษธรรมแปลว่าคนที่ควรฝึกได้สารถิในความหมายเดิมหมายถึงผู้ฝึกมา้าผู้ขับขี่มา้าผู้บังคับม้าให้เป็นไปตามความประสงค์ได้ในสํานวนนี้เป็นสํานวนเปรียบเทียบซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนในสารถิที่ฝึกมา้ากล่าวคือคนที่ควรฝึกได้หมายความว่า ในโลกนี้มีบุคคลบางประเภทแม้ขนาดพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะสอนได้พวกนี้เรียกว่าปัททะปรมะซึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวที่พอพ้นจากโคลนขึ้นมาก็กลายเป็นเหยือของปลาและเตา่าไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำส่วนบุคคลที่ควรฝึกได้มีอยู่สามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าอุคติตันยูแปล ว, ว่าผู้ตรัสรู้เร็ว เพีงแต่พูดถึงหัวข้อธรรมก็รู้แจ้งแล้วบุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน้ำขึ้นมาแล้วพอจะรับแสงอาทิตย์ก็บานทันทีตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะเป็นต้นประเภทที่สองเรียกว่าวิปจิตตัญยูพวกนี้จะรู้แจ้งก็ต่อเมื่อมีการอธิบายโดยละเอียดเช่นพระปัญจวคีเป็นต้นบุคคลประเภทนี้ เปรียบเหมือนดอกบัวที่จวนโผล่ขึ้นเหนือน้ำประเภทที่สามเรียกว่าเหนื่อยยะแปลว่าคนที่พอจะแนะนำได้แต่ต้องใช้เวลานานและต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยจึงจะบรรลุมากผลได้บุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวซึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือโคลนมากแล้วแต่ก็ยังอีกหลายวานันกว่าจะโผล่ขึ้นเหนือน้า บุคคลสามประเภทนี้รวมเรียกว่าบุคคลที่ควรฝึกได้ในบรรดาบุคคลที่ควรฝึกได้ดังที่กล่าวมานี้จะไม่มีใครที่มีความสามารถในการสอนบุคคลเหล่านี้ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะบางทีบุคคลประเภทที่พื้นเดิมสามารถจะตรัสรู้ได้เร็วนั้นพระอาหารหันต์องค์อื่นไม่สามารถที่จะสอนให้บรรลุมรรคผลได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าย่อมมีความสามารถ ในอันที่จะแนะนําสั่งสอนให้บรรลุมรรคผลได้เสมอหรือพูดอีกนยายะหนึ่งคนไหนลงว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครที่ไหนจะสามารถสอนได้อีกแต่ตรงกันข้ามคนอื่นๆที่ใครๆไม่สามารถจะสอนได้นั้นเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าก็ปรากฏว่าพระองค์ทรงสอนได้ซึ่งคนประเภทนี้ก็มีจํานวนมากมาย ปัญหาสำคัญถึงมีอยู่ว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงมีความสามารถในการสอนยิ่งกว่าใครๆทั้งหมดในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการที่พระองค์ทรงมีความสามารถเช่นนี้เป็นเพราะพระองค์ทรงมียาณอยู่สิบอย่างซึ่งเรียกว่าทศพลายานหรือทัศพลายานแปลว่า ญาณที่เป็นกําลังในการสอนสิบอย่างคือ 1. ฐานาะฐานยญาณปริชากำหนดรู้ฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอาฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 2. วิปากยานปริชากำหนดรู้ผลแห่งกรรมส สัพพัทคามินีปฏิปทายานปริชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง 4. นานาทาตุญาณปริชากำหนดรู้ธาตุต่างๆหานานาธิมุติกญาณปริชากำหนดรู้อาิมุติคืออัธยาัสาของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปต่างๆกัน หอินทริยาปโรปริยตยาณปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย7นานาทิสังกิเลสาธิยานปริชากำหนดรู้อาการมีความเศร้ามองเป็นต้นแห่งธรรมเช่นชานเป็นต้น 8. ปอุเพนิวาสานุสติยานปรีชากำหนดระลึกชาติผลหลังได้ 9. จุตูปปาะะตายานปริชากำหนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปต่างๆกันโดยกรรม 10. อาสวะขยายานปริชากำหนดรู้จักทำอาสวะให้สิน้นเรื่องทศพลายานทั้ง1ิอย่างนี้ถ้าหากจะอธิบายกันโดยละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวมาก และคนที่ควรจะศึกษาโดยละเอียดก็คือคนที่มีหน้าที่เป็นครูโดยตรงซึ่งถ้าศึกษาโดยละเอียดแล้วก็จะได้หลักจิตวิทยาในการสอนที่ดีมากแต่หลักจิตวิทยาที่ว่านี้ก็สูงกว่าหลักจิตวิทยาทางตะวันตกมากมายและท่านควรจะเข้าใจไว้ก่อนด้วยว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงมีญาณสิบอย่างนี้ก็เพราะพระองค์ทรงได้อภิญญาทั้ง6 ขอให้สังเกตดูให้ดีว่าการที่พระองค์จะทรงรู้ว่าอะไรเป็นไปได้และอะไรเป็นไปไม่ได้เช่นเมื่อพระองค์มีพระประสงค์จะรู้ว่าตรัสอย่างไรคนฟังจึงจะเข้าใจและทำตามได้ในเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ทรงทาได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้อภิญญากว่าจะรู้ว่าเรื่องที่สอนเป็นไปได้หรือไม่ได้คือเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงมีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ และคนที่รับการสอนเขาจะเชื่อหรือไม่เข้าใจหรือไม่จะทําตามได้หรือไม่คนที่จะสอนจะต้องมีความรอบรู้มากคีเดียวและนั่นย่อมหมายถึงว่าต้องใช้เวลามากกว่าจะศึกษาให้มีความรู้ในวิชาการต่างๆเช่นนักสอนศาสนาจะไปสอนพวกนักวิทยาศาสตร์ก็จําเป็นต้องรู้วิทยาศาสตร์ด้วยจึงจะรู้ว่าพูดอย่างไรเขาจึงจะเชื่อ แนะนำอย่างไรเขาจึงจะทำตามได้เพียงตัวอย่างเรื่องเดียวนี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าผู้สอนศาสนามีความรู้แต่ทางศาสนาอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยและต้องรู้นิสัยใจคอสิ่งแวดล้อมและความจำเป็นของคนที่จะสอนเป็นอย่างดีด้วยจึงจะมียานข้อนี้คือรู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้และถ้าหาจะไปสอนคนในอาชีพอื่น ก็ต้องมีความรู้ในวิชาอาชีพนั้นๆแต่สําหรับพระพุทธเจ้าทรงมียานข้อนี้เพียบพร้อมอยู่เสมอตลอดเวลาคือไม่ว่าจะทรงสอนใครพระองค์จะรู้ถึงแนวความคิดพื้นการศึกษาสิ่งแวดล้อมและอะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นและไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในอาชีพหรือว่าอยู่ในสังคมระดับใดเมื่อพระองค์ทรงต้องการที่จะทราบถึงเรื่องราวต่างๆก็จะทรงทราบได้โดยไม่ยาก โดยไม่ต้องถามใครหรือไปหาความรู้จากที่ไหนใช้วิธีทางสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะทราบได้ทุกอย่างอันหนึ่งขอได้โปรดสังเกตอีกว่าทุกๆหัวข้อในเรื่องทศพลยานทั้งสิบนี้มีความเกี่ยวโยงถึงกันและโปรดสังเกตด้วยว่าพระพุทธเจ้าทรงรอบรู้ในเรื่องวัตถุเป็นอย่างดีซึ่งเรียกว่า นานาธาตุญานและทรงทราบถึงสันดานของมนุษย์เป็นอย่างดีซึ่งเรียกว่านานาทิมุติกยานและนอกจากนี้ยังทรงทราบถึงความเป็นไปในจิตใจของมนุษย์อย่างแจม่มแจ้งเหมือนกับหมอที่เข้าใจเรื่องร่างกายและเข้าใจเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอย่างทะลุปลุบลงจะทำการรักษาใครก็รู้เป็นอย่างดีว่าเป็นโรคที่ตรงไหนเป็นโรคอะไร จะรักษาอย่างไรจึงจะหายโปรดพิจารณาคำว่าอินทรียะปโรปริยตญาณซึ่งแปลว่าปริชากำหนดรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายซึ่งคำว่าอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์ห้าหรือภละห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา เมื่อพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องตรวจดูก่อนว่าบุคคลที่จะสอนนี้มีอินทรีย์ทั้งห้านี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและพระองค์ก็จะทรงสอนไปตามพื้นที่เขามีอยู่และโปรดสังเกตอีกคําหนึ่งคือน า, นานาที่สังกิเลสาธิยานซึ่งแปลว่าปรีชากําหนดรู้อาการมีความเศร้ามองแห่งธรรมมีชาญเป็นต้น ข้อนี้หมายความว่าเมื่อพระองค์จะทรงสอนใครพระองค์จะต้องตรวจดูเสียก่อนว่าคนคนนี้จะสามารถเข้าฌานได้หรือไม่ถ้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรถ้าเข้าได้เข้าได้เพราะอะไรและถ้าหากจะให้เขาเข้าฌาน ส, สูงขึ้นไปอีกจะได้หรือไม่ถ้าได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรและถ้าหากฌานเกิดเสื่อมเสื่อมเพราะอะไร จะแก้ไขอย่างไรพระองค์ทรงทราบโดยตลอดและไม่เฉพาะแต่ในเรื่องฌานเท่านั้นแม้ในเรื่องคุณธรรมอื่นๆเป็นต้นว่าจะทรงสอนให้คนมีกิริโอตตะปะให้มีความกล้าหาญให้มีความอดทนหรือจะสอนให้บรรลุมรรคผลจะสอนได้หรือไม่ได้ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรทรงทราบโดยตลอดอันหนึง่งโปรดอย่าลืมว่า พระองค์ทรงสามารถทราบเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ยากเพียงแต่ใช้สมาธิเท่านั้นก็สามารถที่จะทราบปัญหาที่ต้องการได้ทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไรข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเพราะพระองค์ทรงได้อภิญยาทั้งหกซึ่งในทศพลญาณ น, นี้ก็ได้นำมาอ้างไว้สามข้อคือปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณ รู้จุดติกละอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวะขยายานปริชากำหนดรู้จักทำอาสวะให้สิน้นอันหนึ่งผู้ที่จะสามารถหาความรู้จากตัวเองได้นั้นอย่าลืมว่ามีหลักอยู่3มประการคือ 1. ต้องเป็นคนที่สร้างบา ร, รมีม า, มามากในชาติก่อนก่อน 2. ต้องได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีในปัจจุบัน 3. ต้องได้สมาธิชั้นสูงหลักทั้งสาประการนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายมาแล้วในบทโลกาวิถูพระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของครูซึ่งหมายความว่าวิชาอันใดที่สอนได้ยากที่สุดพระองค์ก็ทรงสามารถสอนได้และบุคคลใดที่ไกลๆสอนไม่ได้แล้ว แต่พระองค์ก็ทรงสามารถสอนได้ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า